สิ่ ง, ง, งที่ทเราผิดแล้วน่ะไม่ต้องทําแล้วแก่ด้วยนั้นคนเราต้องแก้ไขตัวเองอย่างที่คุณพิจิตแก้ไขเราไม่ได้พ่อแม่แก้ไขนเราก็ไม่ได้เทวดาอินพุ่มที่ไหนแก้ไขให้เราไม่ไเราต้องแก้ไขตัวเราเองอเมื่อเราแก้ไขตัวเราถูกต้องแล้วการเดินของเรากกดคล้องตัวกดสบายขึ้น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 เป็นคนพูดจริงทำจริมันมีพูดอิสระลิสยานเดียบเดียนกันก็เลยแนะนํานให้โคอาจารย์พูดอย่างานั้นอย่างนี้โคอาจารย์ก็ระดูกโมโหมาก ท, ที่ิดองค์กุลิมางก็เลยได้ทําผิดไปแต่องค์กุลิมางคราวนั้นไม่รู้นะถ้ารู้ผิดอย่างนั้นองคกุลิมางไม่ทํา เก็บโซฟีอย่างหนึ่งองคุลิมานไปเจอเอาขับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั่นมันคิดว่ายังไงได้พูดคําเดียวเท่านั้นองค์คุลิมานเข้าใจเลยเอ่ท่านพูดว่าเราหยุดแล้วองค์คุลิมานไม่หยุดว่ายังไงหยุดทําไมเดนยุทธิสงฆ อ, องค์คุลิมานตอว่าแต่เราหยุดจากการทำบุญ คงปริมาณเข้าใจโอ้เราทําชั่วแรงมะต้องแก้เลยพอดีหยุดจากการทางชั่วคิดตรีตองฟังคําพูดแล้วได้สําเร็จเป็นพระนิยบุคคลได้ในขณะนั้นเลยเราไม่ได้ฆ่าคนถึงขนาดนั้น <c oughs> แต่เยวจทีรื่องไม่ได้ฆ่าคนเรื่องมีคนฆ่าคนกี่คนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีใครฆ่าคน เราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นฆ่าคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าทุดเก้าคนจะเป็นพันกว่าคนวุ่แต่องค์ุ็เลยมารู้สึตสำนึกแก้ได้สักทีดังนั้นหลวงพ่อจึงเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าบุญมากที่สุดคือรู้บาปมากที่สุดคือไม่รู้นั่นเองไม่รู้จึงทำไม่ใช่ว่ารู้นะ ไม่รู้ถึ่งทาอะไรทั้งหมดเลยดังนั้นความผิดนนจริงเป็นครูสอนเราว่าสิ่งนี้ผิดแล้วเลิกละได้กลับมาทําดีวันนี้ก็มีคนมาถามกรรมติดตามเราได้ไหมแต่กรรมนั่นมันติดตามไม่ได้แต่เขาเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับมหมอนานไรเนื้อในบ้านหลวงพ่อเหมือนหมอนายไรเนื้อ เมื่อเนื้ออ่อนลงโสมลงเมื่อใดหมาก็ทันเมื่อนั้นอันนั้นเป็นคำพูดวันนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นเรามีจิตใจเข้มแข็งปร่าพืชปฏิบัติอยู่แล้วกรรมมันหลุดไปนะ่ะเพราะเรารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วมันหลุดไปกรรมมันจึงจะทําอะไรให้เราไม่ได้ ดังนั้นให้เราเข้าใจเอาเถอะว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเมื่อเรารู้แล้วหมดกรรมดังนั้นพระอริยบุคคลจวีวาไม่ทํากรรมดีและไม่ทํำกรรมชั่วทัำไมกรรมดีก็ไม่เอากรรมชั่วก็ไม่เอาทํางานไปตามหน้าที่เท่านเองแต่ว่าหน้าที่ของท่านท่านรู้ว่าหน้าที่สิ่งนี้สิ่งนี้เั่านั้นดังนั้นเราทุกคนเป็นปุถุชน เราต้องรู้จักว่ากการกระทำนั้นเราต้องรู้จักยับยั้งไว้ได้จิตใจของเราดังนั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมารวมอยู่ที่ใจวันนี้เขาพูดมาอ้อมค้อ ม, มาให้มาอยู่ที่ใจเท่านั้นที่พูดมาการประสบการ์นแก้ไขได้อย่างที่เราประสบการณ์เดียวนี้เนี่ยเขาฆ่ากัานตีกันเราจะทำยังไง ถ้าเราอยู่ที่นั่นประจําเป็นต้องถูก ข, ขาทุกตีเหมือนกันเราต้องแก้ไขแก้เหตุการณ์มีอยู่ปัจจุบันต้องแก้บันนี้ด้วยเหตุผล อ, อ่เหตุผลเรานั่งอยู่ที่ดอกคิดเลยเหตุผลทําอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีนี่เหตุผลแล้วก็รวมลงไปที่ใจทั้งหมดเลยแก้ประสบการณ์ด้วยเหตุการณ์ก็ดี แก้โดยเหตุผลโคดีแต่ที่สำเร็จแท้ๆก็ต้องมาแก้ที่ใจใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญทุกคนทำได้เมื่อเห็นใจจริงๆนลถ้าหากไม่เห็นใจจริงๆแล้วแก้ไม่ได้บางคนทำกรรมฐานมานึกว่าทำกรรมฐานเอาบุญเอา ค, ความสงบความสงบอันนั้นมันไม่ใช่ความสงบแบบที่หลวงพ่อพูดนี่ ความสงบแบบหลวงพ่อพูดนี่คือสงบดุดไม่เก้อเขินไม่สงสัยไม่ไปเสาะแส่แสวงหาโูบาอาจารย์ที่ไหนแล้วอันนี้เรียกว่าสงบก่อนที่สงบเนี่ยต้องรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงทุกคนทำไดเ้เพราะทุกคนมันมีเนี่ยจึงว่าการกระทำแบบนี้ไม่ขึ้นอยู่กับปูอาจารย์ คูาอาจารย์จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่เราให้มีใจหนักแน่นเอาไว้ว่าเราจะทำอันนี้เรียกว่าเราได้เพื่อนกันดัญานามิตรคันทัจะพูดไปตามพาป า, าเราได้เพื่อนที่ดีเพราะตำราก็มีอยู่แล้วและพูดแนะนววิธีคอยประกอบประ ค, รระ ค, รคองก็มีอยู่แล้วเรียกว่าเราได้เพื่อนที่ดีถ้าพูดว่ากันดัญญานามิตรที่ดีก่อ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 ไม่รู้การไปสอนคนอื่นนั่นไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญตัวการกระทำของเรา น, นี่ทีเมื่อเราไม่รู้จริงแล้วมันจะผักดันเราไปจริงจริงจริงหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเมื่อรู้จักรูปนามมีหหลวงพ่อหมดสงสัยแต่มันยังไม่เห็นของคิดความคิดมันดึงไปลากไปพอดีหลวงพ่อมาเห็นความคิดหลงพ่อเห็น มันหยุดเมื่อมันหยุดแล้ววันนี้มันก็ต้องแสดงตัวมันเองเหมือนกับคนแก่ซุกเข้ารูมันแล้วบิดเข้าไปมันไข่เองดังนั้นการทำโฟมรู้สึกตัวทำโฟมเคลื่อนไหวโดยวิธีใด็กกวาตเราต้องให้รู้สึกอยู่กับผมเคลื่อนไหวเมื่อเราไม่รู้โมเคลื่อนไหวในขณะไหนเวลาใดแล้วมันเข้าไปในความคิดทันที พาะความคิดมันถูกซุดไปทันทีเลยเมื่อความคิดทุดไปเราไม่รู้จึงมีอุบายให้มาอยู่กับผมรู้สึกไม่เไม่ใช่เราจะเป็นนั่งอยู่เซ่ยเยมื่อเรานั่งอยู่เซ่ยมันทุดเราไปบอนี่เราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็กำหนดรู้เราอยู่เสมอแต่อย่ากำหนดเกินไปเพียงแต่รู้สึกเบาๆมันคิดมาเราก็ทิ้งมนันทันที มาอยู่กับผมรู้สึกนี้เองดังนั้นการกระทำนี้จึงเป็นของไม่ยากไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเป็นของทำง่ายๆไม่เดือดร้อนพอดีเห็นข่มคิดรู้ข่มคิดเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วี้ก็เห็นสมุทฐานของข่มคิดแล้วก็เปรียบเทียบเปหนึ่ง เทียบเทียบขึ้นมาอขานี้เ ข, า, ข, า, ขาเรียกว่าเหตุการณ์แก้ด้วยเหตุการณ์เราก็คิดว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกใบนี้ในโลกได้สอนเราได้ทุกวิธีจะเห็นคนหลายคนก็าตามน้อยคนกว่าตามมันมีอยู่อย่างนี้เราจะไปบังคับไม่ให้มีอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนที่จะหมดไม่เป็นหมดไม่เป็นเลยคนแต่ว่า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 เขาแสวงหาความสุขอยู่ในป่าในถ้าบัด น, นี้คนเหล่านั้นนะ่ะเป็นผู้สลาดบัด น, นี้คนในบ้านเราเป็นคนที่ทํามาหากินเป็นคนที่ไม่สลาดมีความจําเป็นเจ็บ่ายได้ป่วยเจ็บหัวปวดท้องก็ไปปรึกษาห า, ห, าหรือกับพวกนั้นพวกนั้นก็บอกว่าเป็นน้าผีบ้างพวกนั้นติดต่อผีได้เป็นน้าเทวดาบ้างติดต่อเทวดาได้เป็นอย่างไง แต่ความจริงพวกนั้นไม่ใช่รู้ผีไม่ซิ้วเทวดาแต่เขามีปัญญาแก้ปัญหาสะพาะหน้าให้คนผู้ที่ไม่รู้ตน น, นเองคนทําดีจึงตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเขาว่าอย่างนั้นพวกนั้นเขาบอกอย่างนั้นคนทําชั่วกลายก็จะไปเป็นผีเนี่เขาว่าอย่างนั้นบัด น, นี้ทุกคนอยากไปเป็นเทวดาวิญญาณอันนั้นไม่ใช่วิญญาณพระพุทธเจ้านี้แต่เขาไม่รู้ดังนั้นต่อมา ไม่ต้องพูดไปแล้วเรื่องนั้นไปนี้ต่อมามีคนสลาดขึ้นมาศึกษาขึ้นมาค้นคั้วขึ้นมาจนมีผู้บุคคลสําคัญคือพระพุทธเจ้าของเหล่านี้เองได้ตัดสู่เห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็นํามาสอนจึงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเขาว่าสเสวยอารมณ์สัญญาเขาว่าจําได้ สังขารสวปุงแต่งวิญญาณเปลวรู้เนี่ยถ้าเราสเสวยอารมณ์ทุกข์เราก็รู้เราสเสวยอารมณ์สุขเราก็รู้เราคิดดีเราก็รู้เราคิดชั่วเราก็รู้จิ๋ววิญญาณเปรวรู้ดังนั้นให้เราเข้าใจอย่างนี้ง่ายๆอย่างที่เราเคยสวดกันว่าขันห้าเนี่ยขันสี่ขันขันเดียวนะ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 ท่านจึงสอนอ่ะมักต้องเจริญมักต้องเป็นข้อปฏิบัติมักคือเรามาดูความคิดนี่เองต้องปฏิบัติคือการเคลื่อนไหวแบบนี้จะเป็นมักมักเป็นข้อปฏิบัตินีเราปฏิบัติอย่างนี้จะว่าตัวสมุทัยตัวนั้นมันเป็นตัวทุกข์มักต้องปฏิบัติต้องเจริญนี่นี่โลดไป น, นี่โลดก็มาทําให้แจ้ง วันนี้เราก็คอยดูตัวนี้แต่ตัวนั่นมันปรากฏเองเรารู้สึกตัวนี้ตัวนั่นขึ้นมาเราก็เห็นก็รู้เข้าใจแล้วก็แจ้งเขา้าี้เมื่อแจ้งเข้ามาแล้ววันนี้เป็นการสอนอันนี้เป็นการพูดการเราให้ฟังเตตัวกระทํานั่นน่ะมันจะเป็นเองวันนี้เมื่อเราดูมันเห็นมันคิดขึ้นมาในขณะไหนเวลาใดนั่นแหละเป็นการทําให้แจ้งมันคิดปุ๊บเราเห็นปับ๊บนั่นแหละเราเห็นแจ้ง เราไม่เห็นความคิดเตตัวเห็นกับตัวรู้มันคล้ายๆคืออันเดียวครับแล้วเราเรียกว่าวิญญาณก็ได้บนี้สังขารมันคิดหรือตัวเสมถะ น, นั้นตัววิญญาณก็เป็นตัวรู้ตัวเห็นมันคนรู้แจ้งนอกจากความคิดแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดดังนั้นพวกพราหมณ์สมนั้นเขาไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาพระพุทธเจ้าจะไว้เห็นผีอยู่ที่ตัวคนเองเห็นเทวดาอยู่ที่ตัวคนนั้นเอง เทวดาก็คือคนทำดีพูดดีคิดดีคนมีหิริโอตปะกันว่าอย่างไรคนทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเขาว่าผีเขาว่าไอ้ผีเนี่ยดังนั้นท่าพพระเจ้าจึงสอนให้เราเห็นตัวเราพ่วงศอกงาวาหนาคืบนี่มีพร้อมแล้วให้เราศึกษาที่ตรงนี้ได้ทุกคนทันทีดังนั้นเมื่อมารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องไม่ท้อถอย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 ควบคุมเอาไว้เราก็เลยเข้าใจอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ฝุกหัดเป็นกางปฏิบัติฝุกหัดขั้นแรกเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติได้ต้นทางเขาเรียกเป็นพระโสดาบันบุคคลได้กระแสหรือได้ต้นทางได้ต้นทางได้กระแสอนิพาณนะก็ได้ต้นทางก็คือได้ต้นความคิดนี้เองรู้จากการเคลื่อนไหวของเรานี่เอง มันคิดมาเราเห็นเรารู้อันนี้แหละได้ต้นทางกระแสพระนิพพานก็ยี่สิบนี้พอดีไปถึงที่สุดของทุกเราก็ต้องดูความคิดนี้เองเรียกว่านิโจรจจึงเป็นการทาให้แจ้งก่อนที่จะรู้สำนึกสำนึกได้เราบอกว่าเราจบได้ก็ต้องมันมีสิ่งที่สัญญาตัวเราทุกคนต้องตายถ้าพูดง่ายๆกับ คือคนตายนั่นเองเป็นนิพพานถ้าพูดอย่างนี้คนไม่เข้าใจก็าหาว่าตายแท้ๆเบนคือตายนั่นเองที่บอกคนจึงตายคนจึงไม่มีคนเมื่อคนตายแล้วคนก็ไม่มีคนไม่มีก็มีอะไรก็มีเทวดาหรือมีพระอนิยบุคคลพระเนี่ยบุคคลกับเทวดานี่มันคล้ายๆกันคือเทวดานก็ต้องมีความละอายสํานึกพระเนิยบุคคลคือพ้นจากฆาสศึก แต่พ้นจากค่าศึกต้องคอยระวังค่าศึกมันจะขึ้นมาในรูปใดเนี่ยก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจอันนั้นเรียกว่าเป็นพระเรียบบุ ค, ครเมื่อมันถอนออกมาเราก็รู้ทันทีดังนั้นตอนที่คนจะตายดิหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังมันต้องถอนตัวนี้แล้วจึงจะตายได้ดังนั้นเรามาศึกษามาปฏิบัติอันนี้เพื่อจะให้รู้อันนั้นเอง คนในข่าวนั้นยุคนั้นเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเข้าซารตายสารก็เปลว่ารู้นั่นเองเข้าไปรู้ล่วงหน้าไม่ใช่ว่าไปเข้าสารที่ไหนหอีกแล้วนี่เราไม่รู้แล้วก็ไปไปเดาเดาเอาก็ได้หรือว่าตีค้อมหมายเอาก็ได้หรือแปลเอาตัวหนังสือก็ได้ซารเปรวรู้คือเราเข้าไปรู้เมื่อเรายังมีลมหายใจ เมื่อมันตายมันเป็นหลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นคนทุกคนต้องไปประสบอันนี้จึงว่านิพพานนั้นมันมีอยู่ในคนคือรู้จักวิธีอันนี้นี่เองรู้จักวิธีที่จะตายหรือรู้จักวิธีที่จะหมดลมหายใจนี่เองมันต้องทานตัวนี้เข้าไปคนดังนั้นจึงว่าธรรมะอันนี้จึงไม่เป็นของใครเป็นของบุคคลคนที่ทําเท่านั้นเอง คนใดทำถูกต้องถูกจังหวะแล้วคนนั้นต้องเป็นต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันแค่งขาหน้าตามือเท้าคือกันแต่สูงดาต่ำขาวไม่เหมือนกันไม่คือสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับเราตถาคตเหมือนกัน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 จากนั้นจึงเป็นการฝึกหัดดักนิสัสฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจทันว่าอย่างนัไรเดี๋ยงการฝึกหัดอย่างอื่นนั้นเราก็เคยสอนกันมามากแล้วแต่ว่ารู้ได้บางคนรู้แล้วสองสามวันก็ลืม่ยปแต่บางคนไม่ลืมแต่ไม่ทําก็ผิดนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคต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 ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่คําว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เดิมหมายถึงไม่ขาดช่วงไม่ได้นั่งอยู่ที่ห้องกรรมาฐานทีเดียวไม่ขาดสายคือไปแตไหนมาไหนทํำคมรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอเป็นว่าไม่ขาดสายไม่ขาดช่วงคือรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเพิน้อยรู้มากอย่างนานเจ็ดนปะีอย่างกลางเจ็ดเดือน อย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็วันหรือสิบห้าวันคนใดจะเลื่อยอย่างนั้นน่ะติดต่อกับจ้ท่านว่ามีอณิสงส์ประการท่านวันหนึ่งเป็นพระอหรหันต์ในปัจจุบันพบนี้หากไม่ได้เป็นพระอหรหันต์ในปัจจุบันพบนี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดท่านวันพระอนาคามีน่าจะมาเกิดในมนุษย์อีกครั้งเดียวท่านว่าอย่างไรเมือนกับพระโสดาบันเอกพีศีตัวหนังสือไว้อย่างไร พระโสดาบันเอกทีเซีเนี่ยจะมาเกิดเมือมนุษย์ครั้งเดียวพระอนาคามีก็จะมาเกิดในมนุษย์ครั้งเดียวยแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องมาแล้วคําว่าพระอรหันต์เนี่ยให้เข้าใจตัวเห็นดีชั่วอยู่ที่ตัวของเราเราทํายังไงเราจะเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจแก้ไขที่ตัวเรานี่เองอมเมื่อแก้ไขตัวเราได้แล้ว คนอื่นน่าจะแก้ก็ได้ไม่แก้ก็แต่เพียงเต็่แน่แนวเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าพบเพื่อนที่ดีเลิกกันรายานนิสที่ดีทันวีเมื่อพบพบเพื่อนชั่วกันรายานนิสที่ชั่วมันก็ถล้าไปชั่วทันทีพบคนที่ดีมันก็ไปทางดีทันทีดังนั้นการศึกษาธรรมะแบบนี้จึงง่ายที่สุดรับรองได้อันเนี้ย ถ้าทำติดต่อกันอย่างที่เราทําเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องกรรมฐ า, านโดยโซฟอนะอยู่ห้องกรรมฐ า, านสามปีแต่ไม่ได้เลยครับมันต้องไปนั้นมานี้อาศัยการไปการมาแต่เราต้องรมัดระวังสามปีนี่เข้าใจว่าจะประชิญหน้ามันจริงจริงไม่มากกว่า น, น้อยแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ประชิญหน้าก็ต้องคําพูดจําได้เมื่อจําคําพูดได้แล้วก็ต้องปฏิบัติเลยเมื่อไม่ประชิญหน้าเราก็ต้องรู้อ๋อ มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อเราเป็นเราเห็นเรารู้เราก็ต้องเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนย้ำแล้วยำสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทําอย่างเราตรถาคตนี่ทําอย่างพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าต้องเอาจิงเอาจัง ทำไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนถึงจะรู้แล้วท่วานก็ไม่วางธุระหน้าที่ของท่านเคยได้ยินไหมพญสระออกไปพระพระเจ้าเดินจมกมที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านจงเดินมาที่ตรงนี้นี่สแสดงว่าพระพเจ้านั่นต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอทำธุระหน้าที่ของตัวเองเสมอ ที่พูดเนี่ยเอาสามปีเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องเทวดาถีเรียกว่าพระอรหันต์ใน้อยค่ะก็ได้จะเห็นได้จริงๆแต่ส่วนสภาพเดิมนั้นมันจะหลุดหรือไม่หลุดนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเมื่อเราเป็นพระอรหันต์ในน้อยขึ้นไปกาแสดงว่าเราเดินไปหาพระพุทธเจ้าถูกจุ ด, จดเป็นอย่างไงเอาระยะเสามเดือนแบบนี้หนึ่งปีแบบนี้ระยะเหนึ่งปีทําให้ติดต่อกันยน่อติดตาม ดูมันไปที่ไหนมาที่ไหนก็ต้องเอาตัวเราเป็นเกจนี่อย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนัดตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันปฏิบัติมันจริงๆคำว่าปฏิบัติแบบนี้ที่หลวงพ่อพูดนี่คือว่าไปไหนมาไหนให้รู้สึกไม่ใช่นั่งอยู่ห้องกรรมาฐานแล้วออกมาข้างนอกลืมเข้าห้องน้ำห้องส่วมลืมซักเสือ้อซักผ้าลืมอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้ติดต่อกันแล้วมันขาดแล้วคือเราไปเข้าห้องน้ําห้องส้วมแเราก็ต้องปฏิบัติไปซักเสื้อซักผ้าก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติวิธีใดอันที่เรารู้สึกตัวมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนั้นแหละตัวการปฏิบัติแท้ๆมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนั้นแหละเป็นการปฏิบัติแท้เมื่อเห็นมันเข้าใจมันอย่างนี้ข่มโก้ รูป ก, กลมหลงกลมโลภมันก็ไม่มีอยู่ที่จิตตัวนั้นแต่เมื่อมันมีขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันก็ไปยึดไปถืออันนั้นอันนี้เข้ามาเมื่อไปยึดไปถือเข้ามาเราก็ทุกแบกหนักถ้าจึงว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักนี่คือรูปนี่หนักขันห้าหนักเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุก คนเราจึงอยู่โดยทุกข์กินโดยทุกข์นั่งโดยทุกข์นอนโดยทุกข์ไปไหนมาไหนไปโดยทุกข์เมื่อวางทุกข์เมื่อใดตายเมื่อนั้นจึงว่าคนตายแล้วทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ก็เพีมีแต่เทวดาหรือว่าพระอริยจ บ, บคคลเท่านั้นเองที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นประโยคสั้นๆเพื่อให้เราเอาไปใส่จริงๆ และปฏิบัติจริงๆผู้หญิงก็รู้อันเดียวกันนั้นผู้ชายก็ต้องรู้อันเดียวกันนั้นในขณะเมื่อมันหลุดออกจากกันจะไปดีใจจะไปเสียใจรีบมาจับอารมณ์รูกนามที่ให้มันรู้สึกตัวอยู่นี้เมื่อมันรู้สึกตัวอยู่นี้แล้วความสบายนั่นจะลดไปลดไปมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นตลอดกาลทันสิ่งที่เราผิดแล้วเนี่ยไม่ต้องทำแล้ว แม้ดัอนั้นคุณเราต้องแก้ไขตัวเองอากให้คุณอินแก้ไขเราไม่ได้เพราะแม่แก้ไขให้เราเขาไม่ได้เทวดาอินพรมที่ไหนแก้ไขให้เราไม่ได้เราต้องแก้ไขตัวเราเองเมื่อเราแก้ไขตัวเราถูกต้องแล้วการเดินของเรากอคล่องตัวก็สบายขึ้น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 เป็นคนพูดจริงทำจริงนีมันมีคู่อีกสานที่สยามเบียดเดียนกันก็เลยแนะนําให้ครูอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนี้ครูอาจารย์ก็เลยเน้นแนวในทางที่ผิดองค์กุลิมานก็เลยได้ทําผิดไปแต่องค์ุลิมาร์เขานั้นไม่รู้นะถ้ารู้ผิดอย่างนั้นองค์ุลิมาร์ไม่ทำ แต่โชคดีอย่างหนึ่งองค์คุลิมานไปเจออกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั้นมันผิดตัวอย่างแท้แท้พูดคําเดียวเท่านั้นองค์คุลิมานเข้าใจเลยแต่ท่านพูดว่าเราหยุดแล้วองค์คุลิมานไม่หยุดตัวอย่างนั้นหยุดทําไมเดินอยู่ที่ตรงนั้นองค์คุลิมานต่อวา่าแต่เราหยุดจากการทําชั่ว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 เราต้องรู้จักว่ากการกระทำนั้นเราต้องรู้จักยับยั้งไว้ได้จิตใจของเราดังนั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้มารวมอยู่ที่ใจวันนี้ก็พูดมาอ้อมค้อมมาให้มาอยู่ที่ใจท่งนั้นที่พูดมาการประสบการณ์แก้ไขได้อย่างที่เราประสบการณ์เดียวนี้เนี่ยเขาฆ่ากันตีกันเราจะทำยังไง ถ้าเราอยู่ที่นั่นก็จาเป็นต้องทูกขาทุกปีเือคกันเราต้องแก้ไขแก้เหตุการณ์มีอยู่ปัจจุบันไม่ต้องแก้วันนี้ด้วยเหตุผลอเหตุผลเรานั่งอยู่ที่เอกคิดเลยเหตุผลทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีเหตุผลแล้วก็รวมลงไปที่ใจทั้งหมดเลยแก้ประสบการณ์ด้วยเหตุการ์ก็ดี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 ครูบาอาจารย์จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่เราให้มีใจหนักแน่นเอาไว้ว่าเราจะทําอันนี้เรียกว่าเราได้เพื่อนกันลัญนามิตรคันทักจะพูดไปตามภาษาเราได้เพื่อนที่ดีเพราะตําราก็มีอยู่แล้วและผู้แนะแนววิธีคอยประคอบประคองก็มีอยู่แล้วเรียกว่าเราได้เพื่อนที่ดีถ้าพูดว่ากันญัญนามิตรที่ดีก็ เราก็ได้กันลญาณในวิธีดีแล้วเองคำว่าเพื่อนที่ดีก็หมายถึงคอยดูกันมีเหตุผลอย่างไงเกิดขึ้นป็นการปฏิบัติแบบนี้มีอุปสรรคที่หลวงพ่อแก้หลวงพ่อเองหลวงพ่อรู้จักว่ากโมผิดหลวงพ่อมีหลวงพ่ก็ต้องแก้หลวงพ่อทีแรกหลวงพ่อไม่ค่อยรู้มันเป็นแล้วจึงรู้ เมื่อคนใดยังไม่เป็นไม่รู้การไปสอนคนอื่นนั่นไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญตัวการกระทำของเรานี่เมื่อเราไม่รู้จริงแล้วมันจะพักดันเราไปจริงๆเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเมื่อรู้จักรูปนามนี่หลวงพ่อหมดสงสัยแต่มันยังไม่เห็นความคิดความคิดมันดึงไปลากไปพอดีหลวงพ่อมาเห็นความคิดของพ่อ เห็นมันหยุดเมื่อมันหยุดแล้ววะเนี่มันก็จะแสดงตัวมันเองเหมือนกับคนแก่ซุกเข้ารูมันแล้วบิดออกไปมันไขเองดังนั้นการทำกลมรู้สึกตัวทํากลมเคลื่อนไหวโดยวิธีเดก็ตาเราต้องให้รู้สึกอยู่กับกลมเคลื่อนไหวเมื่อเราไม่รู้กลมเคลื่อนไหวในขณะไหนเวลาใดแล้วมันเข้าไปในความคิดทันที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 มาอยู่กับผมรู้สึกนี่เองดังนั้นการกระทำนี้จึงเป็นของไม่ยากไม่ลำบากไม่เดือดร้อน<ม>เป็นของทำง่ายๆไม่เดือดร้อนพอดีเห็นคมคิดลูกคมคิดเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วบัด น, นี้ก็เห็นสมุทฐานของผมคิดแล้วก็เปรียบเทียบบัด น, นี้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 วิด ญ, ญานเตวารู้ไม่ใช่บิด ญ, ญาณล่องลอยออกจากท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้อันนั้นวิด ญ, ญาณตั้งแต่นอนสมัยดึกดำบรรด์คนไม่รู้ไม่มีที่พึ่งเคยพูดไว้หนังสือไม่ใช่เคยพูดหนังสือพูดที่อําเภอหาดใหญ่เนะี่ยเขาเอามาเขียนลงเป็นหนังสือแล้วอันนั้นไม่ใช่บิด ญ, ญาณอันนี้อันนั้นเป็นวิญญาณของคนไม่รู้พวกฤาษีดาวบท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 แต่ความจริงพวกนั้นไม่ใช่รู้ผีไม่รู้เทวดาแต่เขามีปัญญาแก้ปัญหาสาะหน้าให้คนผู้ที่ไม่รู้ต น, น, นเองคนทําดีจึงตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเขาว่าอย่างนั้นพวกนั้นเขาบอกอย่างนั้นคนทําชั่วตายก็จะไปเป็นผีนี่เขาว่าอย่างนั้นบัด น, นี้ทุกคนอยากไปเป็นเทวดาบิญยาณอันนั้นไม่ใช่บิญยาณพระพุทธเจ้านี้แต่เขาไม่รู้ดังนั้นต่อมา ไม่ต้องพูดไปแล้วเรื่องนั้นแบบนี้ต่อมามีคนสลาดขึ้นมาศึกษาขึ้นมาคน้นคว้าขึ้นมาจนมีผู้บุคคลสำคัญคือพระพุทธเจ้าของเรานี้เองได้ตัดสู้เห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็นำมาสอนจึงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเขาว่าสเสวยอารมณ์สัญญาเขาว่าจำได้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 ท่านจึงสอนอ่ะมักต้องเจริญมักต้องเป็นข้อปฏิบัติมักคือเรามาดูความคิดนเองต้องปฏิบัติคือการเคลื่อนไหวบั น, นียิ่งเป็นมักมักเป็นข้อปฏิบัตินี้เราปฏิบัติอย่างนี้เรว่าตัวสมุทัยตัวนั้นมันเป็นตัวทุกข์มักต้องปฏิบัติต้องเจริญนี่วิโลดบันี้นงโลกกราทําให้แก้ง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 แล้วไอเห็นความคิดเตตัวเห็นกับตัวรู้มันคล้ายๆคืออันเดียวครับแล้วเราเรียกว่าวิญญาณก็ได้บุริสังขารมันคิดหรือตัวสมถั น, นตัววิญญาณก็เป็นตัวรู้ตัวเห็นนังคนรู้แจ้งนอกจากความคิดแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดดังนั้นพวกพราหมณ์ส่นั้นเขาไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดา พ, พระพุทธเจ้าจะไว้เห็นผีอยู่ที่ตัวคนเองเห็นเทวดาอยู่ที่ตัวคนนั้นเอง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 การกระทำของเราไม่ต้องหยุดเราต้องพุ่มเทลงไปเล่งลงไปคือไม่ให้มีเวลาว่างกินข้าวสงน้ำเข้าห้องน้ำห้องซ่วมไปไหนมาไหนก็ต้องไม่ให้ว่างตอนนี้เราปฏิบัติกันจริงจังแต่ว่าคนอื่นจะเห็นเราไม่ได้ไม่ใช่แต่นั่งอยู่ในห้องกรรมฐานอย่างเดียวอันนั่งในห้องกรรมฐานอย่างเดียวนะันคือฝึกหัด ควบคุมเอาไว้เราก็เลยเข้าใจอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ฝุกขั ด, ดเป็นการปฏิบัติฝุกขัดขันแรกเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติได้ต้นทางเขาเรียกเป็นพระโสดาบันบุคคลได้กระแสะหรือได้ต้นทางได้ต้นทางได้กระแสพรนิพพานานะคนได้ต้นทางก็คือได้ต้นความคิดนี้เองรู้จากการเคลื่อนไหวของเรานี่เอง มันคิดมาเราเห็นเรารู้อันนี้แหละได้ต้นทางกัะแสะพระนิพพานก็นยิ่งนี้พอดีไปถึงที่สุดของทุกเราก็ต้องดูความคิดนี้เองนี่ว่านิโรธจึงเป็นการทําให้แก่ก่อนที่จะรู้สำนึกสานึกได้เราบอกว่าเราจบได้ก็ต้องมันมีสิ่งที่สัญญาตัวเราพวกคนต้องตายถ้าพูดง่ายๆก็ คือคมตายนั่นเองเป็นนิพพานถ้าพูดอย่างนี้คนไม่เข้าใจก็หาว่าตายแทๆ้ๆเลยคือตายนั่นเองที่บอกคนจึงตายคนจึงไม่มีคนเมื่อคนตายแล้วคนก็ไม่มีคนไม่มีก็มีอะไรก็มีเทวดาหรือมีพระเนียบุคคลพระเนี่ยบุคคลกับเทวดาเนี่มันคล้ายๆกันคือเทวดา น, นก็ต้องมีความละอายสํานึกพระเนี่ยบุคคลคือพ้นจากฆาตศึก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 คนในคราวนั้นยุคนั้นเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเข้าซานตายซานก็แปลว่ารู้นั่นเองเข้าไปรู้ล่วงหน้าไม่ใช่ว่าไปเข้าซานที่ไหนหอีกแล้วนี่เราไม่รู้แล้วก็ไปไปเดาๆดเอาก็ได้หรือว่าตีค้อมหมายเอาก็ได้หรือแปลเอาตัวหนังสือก็ได้ซานแปลว่ารู้คือเราเข้าไปรู้เมื่อเรายังมีลมหายใจ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 จันนั่นจึงเป็นการฝึกหัดดัดใจฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจทันว่าอย่างไรเรื่องการฝึกหัดอย่างอื่นนั้นเราก็เคยสอนกันมามากแล้วแต่ว่ารู้ได้บางคนรู้แล้วสองสามวันก็ลืมไป่างนนแต่บางคนไม่ลืมแต่ไม่ทําก็มีนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งจึงสอนเอาไว้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคต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 ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่คําว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เด็ดหมายถึงไม่ขาดช่วงไม่ได้นั่งอยู่ที่ห้องกรรมฐ า, านทีเดียวไม่ขาดสายคือไปแตไหนมาไหนทำกลมรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอเี็นว่าไม่ขาดสายไม่ขาดช่วงคือรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเหอะน้อยรู้มากอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือน อย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันคนใดจเจริญ อ, อย่างนั้นนะ่ะติดต่อกับจำนนะท่านว่ามีอณิสงส์ประการท่านวันหนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดท่านวันพระอนาคามีนะั่นจะมาเกิดในมนุษย์อีกครั้งเดียวท่านวาเนเหมือนกับภาพโสดาบันเอกทีซีตัวหนังสือไว้เลย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 คนอื่นน่าจะแก้ก็ได้แม่แก้ก็เพียงแต่แน่แนวเท่า น, นั้นเองดังนั้นจึงว่าคบเพื่อนที่ดีลึกกัรญาณ า, ามิตรที่ดีทันวันเมื่อพบคบเพื่อนชั่วกัญญาณ า, ามิตรที่ชั่วมันก็ถลําไปชั่วทันทีคบคนที่ดีมันก็ไปทางดีทันทีดังนั้นการศึกษาธรรมะแบบนี้จึงง่ายที่สุดรับรองได้ไอันเนี่ย ถ้าทำติดต่อกันอย่างที่เราทําเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องกรรมฐ า, านโดยโซฟออยู่ห้องกรรมฐานสามปีแต่ไม่ได้เลยมันต้องไปนั่นมานี้อาศัยกันไปการมาแต่เราต้องระมัดระวังสามปีนี่เข้าใจว่าจาะเผชิญหน้ามันจริงๆไม่มากกว่านอนแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่เผชิญหน้าก็ต้องคําพูดจําได้เมื่อจําคําพูดได้แล้วก็ต้องปฏิบัติเลยเมื่อไม่เผชิญหน้าเราก็ต้องรู้อ๋อ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 ที่พูดเนี่ยเอาสามปีเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องเทวดาผีเรียกว่าพระอรหันต์น้อยๆค่ะจได้เนี่ยจะเห็นได้จริงๆแต่ส่วนสภาพเดิมนั้นมันจะหลุดหรือไม่หลุดนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเป็นพระอหรหันต์น้อยๆขึ้นไปก็กแสดงว่าเราเดินไปหาพระพยยุทธเจ้าถูกจุดเป็นยังไงเอาระยะเสามเดือนบ่นนนเนี่ยหนึ่งปีบ่เนี่ยระยะเหนึ่งปีทําให้ติดต่อกันนะติดตาม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 และปฏิบัติจริงจริงผู้หญิงก็รู้อันเดียวกันนั้นผู้ชายก็ต้องรู้อันเดียวกันนั้นในขณะเมื่อมันหลุดออกจากกันจะไปดีใจจะไปเสียใจรีบมาจับอารมณ์รูปนามที่ให้มันรู้สึกตัวอยู่นี้เมื่อมันรู้สึกตัวอยู่นี้แล้ววามสบายนะั้นจะลดไปลดไปมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นตลอดกาล